คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงพิจารณา เ, เห็นด้วยอาการเป็นอันมากจึงทรงแผ่พระกรุณาไปในหมู่สัตว์พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงพิจารณาเห็นว่าโลกสันนิวาสถูกไฟเผาลุกโชนแล้วจึงทรงแผ่พระกรุณาไปในหมู่สัตว์พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงพิจารณาเห็นว่าโลกสันนิายกผลขึ้นแล้ว โลกสันนิวาตเคลื่อนพลแล้วโลกสันนิวาตเดินทางผิดแล้วโลกถูกชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแ่งตันหาโลกสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานโลกสันนิวาตไม่มีที่เร้นโลกสันนิวาตไม่มีที่พึ่ง โลกสันนิวาตไม่เป็นที่พึ่งของใครโลกฟุ้งซ่านไม่สงบโลกสันนิวาตมีลูกศรใช้ลูกศรเป็นอันมากเสียบแทงตนเองนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยถอนลูกศรของโลกสันนิวาตนั้นได้โลกสันนิวาตมีความมืดคืออวิชชาปิดกั้นไว้ถูกขังไว้ในกรงกิเลสนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะแสดงธรรมให้แสงสว่างแก่โลกสันนิวาสนั้นได้ โลกสันนิวาตตกอยู่ในอำนาจของอวิชชามืดมนอันอวิชชาหุ้มห่อไว้ยุ่งดุดเส้นได้พันกันเป็นกลุ่มก้อนนุงนางดุดหญ้าปล้องหญ้ามุงกระต่ายไม่ล่วงพ้นสงสารคืออบายทุกติและวินิบาทไปได้โลกสันนิวาสถูกยาพิษที่มีโทษคืออวิชาชาชาบทาห น, นาแน่นแล้วมีกิเลสเป็นโทษโลกสันนิวาสรกชัดด้วยชัดป่า คือราคะโทสะโมหะนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยสางรกชัดแก่โลกสันนิวาสนั้นได้โลกสันนิวาสถูกกองตัณหาสมไว้โลกสันนิวาสถูกขายตัณหาครอบไว้โลกสันนิวาสถูกกระแสตัณหาตามพัดไปโลกสันนิวาสถูกตัณหาเครื่องคล้องคล้องไว้โลกสันนิวาสสร้างไปตามตัณหาหนุสัย โลกสันนิว่าเดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนด้วยตัณหาโลกสันนิว่าเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนด้วยตัณหาโลกสันนิว่าถูกกองทิศที่สมไว้โลกสันนิว่าถูกข่ายคือทิฐิครอบไว้โลกสันนิว่าถูกกระแสทิฐิพัดไปโลกสันนิว่าถูกทิศทีสังโยชน์คล้องไว้โลกสันนิว่าสร้างไปตามทิศฐานุสัยโลกสันนิว่าเดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนด้วยทิฐิ โลกสันนิวาสเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนด้วยทิฏฐิโลกสันนิวาสถูกชาติติดตามโลกสันนิวาสถูกชราตามติดโลกสันนิวาสถูกพยาธิครอบงำโลกสันนิวาสถูกมรณะห้าหันโลกสันนิวาสตกอยู่ในกองทุกข์โลกสันนิวาสถูกตันหาดักไว้โลกสันนิวาสถูกกำแพงคือชราล้อมไว้โลกสันนิวาสถูกบ่วงมัด จ, จุคล้องไว้ โลกสันนิวาตถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากได้แก่เครื่องผูกคือราคะเครื่องผูกคือโทสะเครื่องผูกคือโมหะเครื่องผูกคือมานะเครื่องผูกคือทิฏฐิเครื่องผูกคือกิเลสเครื่องผูกคือทุจริตนอกจากเราไม่มีผู้ที่จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาตนั้นได้โลกสันนิวาตดาเนินไปในทางที่แคบมากนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยชี้ทางสว่าง ให้แก่โลกสันนิวาตนั้นได้โลกสันนิวาตถูกความกังวลเป็นอันมากผัวพันไว้นอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยตัดความกังวลให้แก่โลกสันนิวาตนั้นได้โลกสันนิวาตตกลงไปในเหวใหญ่นอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยฉุดโลกสันนิวาตนั้นให้พ้นจากเหวได้โลกสันนิวาตเดินทางกันดานมากนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยให้โลกสันนิวาสนั้น ข้ามพ้นทางกันดารได้โลกสันนิวาสเดินไปในสงสารวัตรอันใหญ่นอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยให้โลกสันนิวาทนั้นพ้นจากสังสารวัตรได้โลกสันนิวาสเกลือกเกลือ ก, กลิ้งอยู่ในหล่มใหญ่นอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยฉุดโลกสันนิวาทนั้นให้พ้นจากหล่มได้โลกสันญิวาสกลิ้งเกลือกอยู่ในเปลือกตมอันกว้างใหญ่ นอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้พ้นจากเปลือกตมได้โลกสันนิวาตร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะชาชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยดับไฟเหล่านั้นให้แก่โลกสันนิวาตได้โลกสันนิวาสทุรนทุรายเดือดร้อนเป็นนิสไม่มี ไม่มีอะไรต้านทานต้องรับอาชยาต้องทำตามอาจยานั้นโลกสันนิวาาถูกผูกด้วยเครื่องผูกในวัดตะปรากฏอยู่ที่ตะแลงแกงนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาสนั้นให้หลุดพ้นได้โลกสันนิวาสไม่มีที่พึ่งน่ากรุณาอย่างยิ่งนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยต้านทานให้แก่โลกสันนิวาสนั้นได้ โลกสันิวาตถูกทุกเสียบแทงบีดคั้นมานมนานโลกสันิวาตติดใจกระหายเป็นนิดโลกสันิวาตเป็นโลกบอดไม่มีจักสุโลกสันิวาตมีจักสุเสือ่อมไม่มีผู้นำไปโลกสันิวาตแล่นไปถูกทางผิดหลงทางแล้วนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยนำพาโลกสันิวาตนั้นมาสู่ทางอริยะนั้นได้โลกสันิวาตแล่นไปตูห้วงโมห นอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้พ้นจากพ่วงโมหะได้โลกสันนิวาสถูกทิฏฐิสองอย่างกลุ่มรุมโลกสันนิวาสปฏิบัติผิดเพราะทุจริตสามโลกสันนิวาสประกอบด้วยกิเลสเครื่องประกอบสี่อย่างโลกสันนิวาสถูกกิเลสเครื่องร้อยรัดสี่อย่างร้อยรัดไว้โลกสันนิวาสถือมั่นด้วยอุปาทานสี่โลกสันนิวาสขึ้นสู่คติห้า โลกสันนิวาสกำหนัดอยู่ด้วยกามกุลห้าโลกสันนิวาตถูกนิวรห้าทัดไว้โลกสันนิวาตวิวาดอยู่ด้วยมูลโลกสันนิวาตวิวาทกันอยู่ด้วยมูลเหตุแห่งการวิวาดหกอย่างโลกสันนิวาสกำหนัดอยู่ด้วยกองตันหาหกโลกสันนิวาตถูกทิฏฐิหกอย่างกลุ่มรุมแล้วโลกสันนิวาสสร้างไปเพราะอนุใสเจ็ดโลกสันนิวาสถูกสังโยชน์เจ็ดคล้องไว้ โลกสันิวาสผูขึ้นเพราะมานะเจ็ดโลกสันิวาตหมุนเวียนไปตามโลกธรรมแปดโลกสันิวาตดิ่งลงเพราะมิจฉตแปดโลกสันิวาตประทุสร้อยกันเพราะบุรุษโทษแปดโลกสันิวาตมุ่งร้ายกันเพราะอาคาตวัตถุเก้าโลกสันิวาตทองขึ้นเพราะมานะเก้าโลกสันิวาตกำหนัดอยู่เพราะธรมอันมีตัณหาเป็นมูลเก้า โรคสันนิวาสเศร้าหมองเพราะกิเลสวัตถุสิบโลคสันนิวาตมุ่งร้ายกันเพราะอาคาตะวัตถุสิบโลคสันนิวาสประกอบด้วยอากุศลกรรมบทตรสิบโลคสันนิวาสถูกสังโยติสิบคล้องไว้โลคสันนิวาสดิ่งลงเพราะมิจฉัติสิบโลคสันนิวาตเทียบพร้อมด้วยมิจฉาทิฐิสิบโลคสันนิวาตเทียบพร้อมด้วยอันตคาหิกทิฐิ 3. อันมีวัตถุสิบ โลกสันิวาสเนิ่นช้าเพราะปัญหาร้อยแปดทำให้เนิ่นช้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทั้งหลายทรงพิจารณาเห็นว่าโลกสันิวาสถูกทิฏฐิหกสิบสองกลุ่มรุมจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมูสัตว์พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทั้งหลายทรงพิจารณาเห็นว่าส่วนเราเป็นผู้ข้ามได้แล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่ได้ เราเป็นผู้พ้นแล้วแต่สัตว์โลกยังพ้นไม่ได้เราเป็นผู้ฝึกแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้ฝึกเราเป็นผู้สงบแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่สงบเราเป็นผู้เบาใจแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่เบาใจเราเป็นผู้ดับรอบแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ดับรอบเราเป็นผู้ข้ามได้แล้วจะให้สัตว์โลกข้ามได้ด้วยเราเป็นผู้พ้นแล้วจะให้สัตว์โลกพ้นได้ด้วย เราฝึกได้แล้วจะฝึกสัตว์โลกได้ด้วยเราเป็นผู้สงบแล้วจะให้สัตว์โลกสงบได้ด้วยเราเป็นผู้เบาใจแล้วจะให้สัตว์โลกเบาใจได้ด้วยเราเป็นผู้ดับสนิทแล้วจะให้สัตว์โลกดับสนิทได้ด้วยจึงทรงแผ่พระมาหากรุณาไปในหมู่สัตว์นี้เป็นยานในมหาการุณาสมาบัติของพระสถาคต พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาอย่างที่สุดล้นเหลือในการที่จะทำความอนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งพวกเราผู้ได้ฟังคําสอนของพระองค์เพราะฉะนั้นก็ขอให้น้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะรองรับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามให้สมควรแกท่ทมซึ่งก็เดี๋ยวจะได้อธิบายมหากรณาสมาปฏิญานนะซึ่ง มีแสดงอยู่ในอัตกถาปฏิสัมพิธามัตในอาศาทรณญาณพอสมควรซึ่งก็จะไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านทั้งหลายขอให้เจริญงอกนามในธรรมวินัยนี้แล้วก็ขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรกับธรรมเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ ธ, ธรรมโดยการไม่เนินช้าได้เทินสาธุสาธุสาธุ